ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้นแน่วแน่อย่าปล่อยใจให้เพลินไปทางอื่นสํารวมใจอยู่ภายในอาศัยสติสมสัญยะนั่นแหละ ประคองใจไว้ภายในอย่าให้มันเลื่อนออกไปข้างนอกใจดวงเดียวนี้แหละเป็นแกนของคนดีก็อยู่ที่ใจนี้ทั่วก็อยู่ที่ใจนี่สุขก็อยู่ที่ใจนี่ทุกข์ก็อยู่ที่ใจ พอใจนี่มันเป็นธาตุรู้มันรู้สรพัดอะไรอะไรกระทบมามันรู้ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้เท่าสิ่งที่มันมาสัมผัสหรือมาถูกต้องนั่นมันจึงได้หวันไวไปตาม ดังนั้นพระบรมศาสดาผู้มีพระเมตตาพระกรุณาอันยิ่งใหญ่จึงได้อุตสาห์แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายโดยอุบายวิธีต่างๆเกี่ยวแก่การฝึกฝนจิตนี้จิตนี้ต้องมีอุบายฝึกอยู่สามอย่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วิธีหนึ่งนั้นเรียกว่าวิธีธรรมะคือข่มจิตของตนไว้วิธีหนึ่งนั้นวิธีปลอบจิตวิธีหนึ่งนั้นวิธีประคองจิตไว้ให้สม่ำเสมอ วิธีแรกนั่นจิตใจมันเพิิดเพลินมากถึกเหิมมากไปในความเพลินต่างๆเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมนี่แหละไม่ใช่เพลินอย่างอื่นหรอกนี่ต้องอาศัยการข่ม ไว้ด้วยสติโดยขันติความอดทนถ้าใครไม่ข่มจิตเวลาเส้นนันแล้วก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันก็จูงใจให้ไปทำความชั่วโดยประการต่างๆ <c oughs> <c oughs> เมื่อผูดด้ใดข่มจิตใจได้ ผูนั้นก็ไม่ได้รู้อำนาจแก่ความชั่วต่างๆเห็นแ้าเป็นนักบวชก็ไม่ล่วงวินยัยน้อยใหญ่ถ้าเป็นครือหัดก็เหมือนกันก็ไม่ล่วงศีลเพราะว่าตัวศีลแท้มันอยู่ที่ใจต่างหากเมื่อใจไม่สำรวมแล้วไม่อดกั้นตอมหน้าของกิเลสแล้ว มันก็ร่วงศีลร่วงวินัยได้สบายไม่กลัวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรมหมดเนี่ยไม่กลัวเมื่อตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันนี่แหละอำนาจแห่งตัญหาอาวิชชาเพื่อมันครอบงามจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้วใจนั้นไม่มีกลัว ตอบความทุกข์ความเดือร้อนอะไรเลยดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราตายแล้วมันถึงไปเออดอดกันอยู่ในรกในนรกนั้นนามากต่อมากพระองค์เปรียบไว้เหมือนกับขาสารยัดไให้นี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้สมควรแล้วหรือที่เรามาปฏิญาณตนเป็น พุทธศาสนกชนคือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์เรานับถือเอาเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆอย่างนี้นะแล้วเมื่อเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี้แล้วนึกว่าจะให้พระคุณทั้งสามเนี่ย มาช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจให้ตนโดยที่ตนไม่ได้ลงแรงอะไรเลยตนไม่ได้ฝึกฝนจิตใจอะไรเลยใจนั่นเพลินไปเต็มที่แต่ให้คุณพระศีรัตนกลายมากำจัดกิเลสออกให้อย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ก่อนอื่นนะั่น่ะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยตนได้ตนก็ต้องช่วยตนก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตนต้องปลุกความตัวเองใจที่ไม่สงบก็พยายามทำให้มันสงบขมมันลงมันเพลิดเพลินเต็มที่อย่างนั้น ใส่ขันติความอดทนใส่สติสัมปชัญญะคมมันไว้แล้วก็คู่ด้วยขู่ว่าใจอย่างนี้เนะ่ยใจนรกตายเนี่ยมันจะไปตกนรกรู้ไหมใจไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆนี่นะใจอย่างนี้ที่มันไปเป็นสัตว์นรกแออัดกันอยู่ในนรก พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายให้เกิดความกลัวต่อภยัยนรกให้มาก <c oughs> พระองค์ไม่ได้โกหกใครสิร่งใดถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงเลยไม่อย่างนั้น ก็จะสร้างบา ร, รมีมามากมายทำไมล่ะสร้างบา ร, รมีมาทั้งสี่อสงไขยปลายแสม า, ากลับก็เพื่อที่จะรู้แจ้งในธรรมของจริงเพื่อรู้แจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นอวสานจุดมุ่งหมายก็อย่างนี้นี่ จุมุ่งหมาของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้แล้วพระองค์ก็รู้แจ้งไปหมดเลย <Yeah. S 1> สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวราทั้งหลายพระองค์ก็นำมาแสดงถ้าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะเวลามีจำกัด <c oughs> เวลาที่พระองค์ แต่แนะนําสั่งสอนสั่นโลกทั้งหลายนั้นนะมีน้อยเต็มทีดังนั้นพระองค์จ้จึงคัดเลือกเอาแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังมันมาแสดง <c oughs> <c oughs> นี่ผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึงข่มจิตของตนในเวลาจิตมันเพลิดเพลินมัวเมาเกินขอบเขตอย่าปล่อยให้มันเมามันเพลินไป ตาองอนาของจิเลสตัณหามันจะพาไปทำชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ป <c> ร <oughs> ะการที่สองเวลาใดจิตใจมันหงอยเหงาเศร้าโศกมันประสบกับความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีมันก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจ อย่างนี้คนธรรมดาสามาัญนี่มันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจหรือทำการงานอะไรมันผิดหวังไปทำการค้าการขายขาดทุนทำนาทำสวนไม่ได้ข้าวไม่ได้ผลไม้เนื่องจากแรงบกท่วมอะไรโมนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นความผิดหวังในชีวิตอย่างใหญ่หลวงพอได้เหมือนกัน ทีนี้เมื่อบุคคลมาประสบกับภัยพิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็ต้องมีอุบายสอนใจตัวเองก่อนอื่นก็คคล น, นึกถึงสภาพของสังขารทางปวงเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าสังขารคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่แปรปวนไม่แตกไม่ดับไป นี่เมื่อทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันจะได้สมหวังมาแต่ไหนก็ต้องหาอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันใจมันรู้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกลงเพราะว่า ทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นประตามใจหวังเมื่อไตรลักษณะญาณปรากฏแจ็มแจ้งในใจอย่างนี้แล้วมันก็บันเดาเบาบางลงได้ความโศกเศร้าเสียใจต่งตางๆนานาอีกในหนึ่งก็นึกถึงความดีของตัวเอง ไม่ใช่ว่าตนของตนในมีแต่ความชั่วอย่างเดียวมีแต่ความผิดหวังอย่างเดียวความสมหวังก็มีอยู่ในชีวิตอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ก่อนโน้อนอ่ะมันมาอำนวยผลให้เช่นไปเกิดมาเป็นคนอย่างนี้นะมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บุก้อง ยังได้แล้วก็มีสติปัญญาพอสมควรพอหาเลี้ยงอัตภาพได้ไม่ถึงกับว่าได้เป็นทาทาสีทาสาของผู้อื่นมีพื้นความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นทานาทาสวนเป็นต้นเหล่านี้นะ ผู้ใดไม่เกียจคร้านแล้วลงมือทำไปมันก็ต้องได้มาทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นน่ะนี่ก็เท่อว่าเป็นผู้มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่มีบุญเสียเลยนึกถึงบุญถึงวัฒนาของตนมาแต่ห้นหลังตลอดมาถึงปัจจุบันตนก็ได้ทำความดีมาอย่างนี้นะ เมื่อนึกถึงความดีนึกถึงบุญวาสนามาแล้วมันก็ชื่นใจขึ้นมาก็รู้ว่าตนนั้นไม่ใช่มีแต่ความชั่วความผิดหวังความสมหวังก็มีอยู่บุญวาสนาบารมีก็มีถ้าบุญบุญวาสนาไม่มีก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบุญวาสนาที่มาตกแต่งให้นีมันน้อยไป เนื่องจากว่าตนในทำความดีไว้แต่ก่อนมันมน้อยสักกะวัวเมาประมาทเพิดเพลินไปในโลกสงสารอันนี้มากกว่าการมาทำความดีมากกว่าการฝึกผนอบรมจิตอย่างที่ว่านี่นะไม่ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณ ง, งามความดีหรือว่าตั้งมั่นก็ตั้งนิดนิดหน่อยหน่อยหนึ่งไม่มาก ทีนี้เวลามันอำนวยผลให้มาในปัจจุบันนี้มันก็อำนวยผลให้ตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนได้กระทำอบรมมาบางทีบาปทำบาปเข้าเอาบาปก็มาตัดร้อนชีวิตไม่ให้มีความสุขสมเสมออยู่ได้เมื่อเมื่อมีความสุขความเจริญไปไป นอหนึ่งบาปมันตามมาทันบาปมันมาตัดรอนเอาความสุขความเจริญละความเจริญเหล่านั้นสูญหายไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะี่ยบุคคลไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมจึงได้เสียใจเศร้าโศกที่ไล่ลําพันธ์ต่างๆหน้าๆ น, านี่มันมันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ ไม่ละเหตุแห่งทุกข์นั่นนั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเี้ทางที่ดีจึงว่าคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาบุญกุศลตกแต่งมาดีแล้วอย่างนี้นะควรพยายามละเว้นกรรมอันชั่วนั้นให้ได้สิ่งใดที่พระศาสด า, าทรงห้ามไว้ ก็พยายามเว้นให้ได้เลยอย่างนี้พยายามทำตั้งแต่การงานที่มันปรารถจาโชษปรารถัาบาปกรรมเวรภัยต่างๆนั่นเ <c oughs> มื่อทำได้อย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแม้ว่าจะไม่ร่ารวยเหมือนยบคนอื่นที่ร่ารวยกันมากๆก็าตาม แต่เมื่อมานึกถึงสุจริตรธรรมที่ตนได้รักษามาตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้มันก็ได้รับความอุ่นใจเพราะว่าทับภายในคือบุญและคุณอันนี้นะมันติดสอยห้อยตามคนเราไปทุกแห่งทุกคนอำนวยความสุขให้ในพบในชาติที่เกิดดนนั้น ซึ่งไม่เหมือนอย่างทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นของเหล่านี้มันอำนวยผลให้ตนมีความสุขแต่ในปัจุบันนี้เท่านั้นเองทั้งอำนวยทุกความทุกให้ด้วยไม่ใช่อำนวยแต่ความสุขเช่นถูกเขาจี้เขาปล้นเอาเขาทุกเขาตีเอาจนเสียองค์พระก็มีไปต่อสู้กับเขาบางคนก็ถูกเขาฆ่าตาย ไม่ทันได้บริโภคสมบัติอันนั้นไปนมนานอะไรเลยอันมูนี่ทรับภายนอกนะมันอำนวยทั้งความสุขอำนวยทั้งความทุกข์ให้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่คิดแหละคิดเอาแต่ว่าได้เงินมาใช้มาจ่ายมีความสุขสนุกสนานก็พอแล้ว ส่วนความทุกข์ภัยพิบัติต่างๆอันจะเกิดมีแก่ตนและผู้อื่นนั้นไม่คิดไม่คำนึงเลยเพราะฉะนั้นคนเราถึงจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกนี่เนี่ยหนีจากทุกอันนี้ไปไม่ได้ชีวิตที่บุคคลไม่เพียรม่ยา ล, ละกรรมทั่วทำกรรมมันดีนี่ส่วนมากก็มีแต่ตกต่ำเลื่อยไปมันเป็นยัง้น ทางจะสูงขึ้นไม่มีอันผู้ที่ละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วใจของใสสะอาดเพราะไม่มีบาปกรรมมครอบงำเช่นนั้นแล้วอุคครณสามารถทําความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยสมาพัคําว่าให้ทานก็ ให้มายินดีพอใจในการให้การบริจาคศิล์ก็ยินดีในการรักษาให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมาแล้ววันนี้มันก็มีโอกาสที่จะภาวนาสมาธิได้สามารถที่จะทํากุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยเพราะการภาวนามันเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลอย่างสูง แต่ถ้าใครทําใจให้มัวหมองอยู่ด้วยบาปกิเลสต่างๆหมดน้วน่ะใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยกิเลสบาปประธรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิภาวนาทําใจสงบได้คิดดูะผู้ที่นั่งสมาธิภาวนาทําใจสงบได้ส่วนมากก็เป็นภุระบาปมาแล้ว มีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตใจนี่เพราะฉะนั้นน้อมใจน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้สงบอยู่ภายในจิตก็สงบอยู่ได้เมื่อจิตสงบอยู่ได้อย่างนี้ก็มีสติประคองจิตที่สงบนั่นแหละไว้อย่าให้จิตมันวอกแวกไปท้งอื่น อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สามนะวิธีฝึกจิตอ่ะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วหากว่าไม่มีสติประคอง็ว่ายอย่างนี้นี่จิตก็ถอนจากสมาธิแล้วก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆนั่นก็ เมื่อใจพุ่งสร้างเลื่อนอยเช่นนั้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เงินไปนอย่างนี้เมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้รู้เท่าสังขาร น, นามลูกนี้ไม่ได้ก็ไปสาคัญว่านามลูกนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนั้นนลยเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจ วิธีรักษาจิตตัวเองเวลาทำจิตให้สงบแล้วต้องรักษาไว้สม่ำเสมออย่าให้จิตใจมันเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนทำอย่างไรใจของตนจะสงบลงก็ทำลงไปก็โดยเฉพาะเอาสตินี่แหละ เฮงสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นนะอย่าระลึกไปทางอื่นรู้ว่าจิตของตนมันสงบอยู่แล้วก็ประคองไว้ให้มันเป็นปกติอยู่เมื่อประคองไว้ได้ด้วยสติอย่างนั้นนะ่ะอารมณ์ที่น่ายินดีร้ายต่างๆมันกระทบมามันก็ไม่วันไหวไปตามมันก็ ตั้งมั่นอยู่ได้ น, นี่วิธีรักษาสมาธินักาาันเข้าใจเนี่ยเท่าที่ชี้แจงเรื่องอุบายวิธีฝึกจิตมาสามประการจึงขอทบทวนอีกทีหนึ่งเมื่อจิตมันอึกเขิมมันเพลิดเพลินเกินประมาณ มันยินดีพอใจแต่ในความสนุกสนานในโลกอย่างนี้ก็เรารู้แล้วว่าความสนุกสนานอ น, นันตไม่ยั่งยืนอะไรทำให้คนเสียคนไปยเยอะแยะพอติดความสุขสนุกสนานชั่วคราวเงินทองมีเท่าไหรก่ก็เอาไปจ่ายเพื่อความสนุกอย่างนั้นเสียหมดอันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดนอดในภายหลังแล้วเป็นเพลงนั้น ต้องให้เข้าใจต้องให้เห็นว่ามันมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรถึงมีความสุขประสุขริเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็หายไม่ยังยืนอะไรวิธีที่สองก็เมื่อเวลาจิตใจมันผิดหวังอะไรมาคนธรรมดาสามั น, นี่ มาเกีเท่าโศกเสียใจแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขาร น, นั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาสอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนีนะ้จะให้มันสมหวังทุกอย่างไปได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลามันจะแปลโปรไปแล้วมันบังคับก็ไม่ได้มันก็แปลโปรไปตาม หน้าที่ของมันท่านจึงว่าเป็นอนัตตาแล้วนะมันบังคับไม่ได้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกรองอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบางทีตนได้ทำกรรมชั่วบางอย่างมามันตามมาสนองเอามันนึงผิดหวังมันจึงไม่สมหวัง ถ้าเขาใดได้สมหวังก็ไม่เกิดเพลินมัวเมานึกว่าบุญกุศลอํานวยผลให้บุญกุศลเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อมันอํานวยผลให้ไปไปหมดเหตุเขมาแล้วมันก็ดับไปนี่ก็เลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนทั้งฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอากุศลก็ดีทางที่ดีแล้ว เราต้องมีสติประคองใจให้เป็นกลางอยูออ่ทำความยินดีในบุญในกุศลในคุณพระรัสนาไกลี่ชนนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังต่างๆนี่วิธีที่สองเนี่ยปลอบใจตัวเอง วิธีที่สามเมื่อตนทำใจให้เป็นกลางให้สงบระ ง, งับลงไปได้แล้วก็มีสติสมัมปชัญญะประคับประคองไว้เสมอไปพยายามประคองว่าอย่าให้จิตมันเสื่อมจากความสงบความเป็นกลางนั้นๆเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจะมองเห็นทุกมองเห็นเหตุให้เกิดทุกตามความเป็นจริง อย่างไรที่พระพุทธเจ้าสดกทรงแสดงไว้นี่ดังแสดงมา